ขยานุปัสนาขยานุปัสนาคือปัญญารู้เห็นความสิ้นไปอันเป็นความดับไปในปัจจุบันขณะของรูปนามที่กำหนดรู้อยู่ขยานุปัสนานี้ก็คือพังขยานที่รู้เห็นความดับไปของอารมณ์ที่ตนกาหนดรู้และวิปัสนาจิตในขณะนั้นบัญญัติที่เป็นรูปร่างสันฐานย่อมอันตรธานไป มีเพียงความดับไปของรูปนามที่เป็นสภาวธรรมเท่านั้นดังปรากฏข้อความว่าปัญญารู้เห็นความสิ้นไปคือปัญญารู้เห็นความดับไปในปัจจุบันขณะของสังขารทั้งหลายขยานุปัสนาคือปัญญาที่รู้เห็นความดับไปของรูปขันเป็นต้นอันเป็นปัจจุบันและปัญญารู้เห็นความดับไปของจิตเจตสิก ที่มีความดับไปนั้นเป็นอารมณ์ในลําดับต่อจากความดับไปของขันนั้นๆขยานุปัฏนาคือปัญญาของผู้รู้เห็นความสิ้นไปโดยกระทําการกระจายกลุ่มออกไปอย่างนี้ว่าไม่เที่ยงเพราะมีสภาพสิ้นไปผู้ปฏิบัติธรรมที่บรรลุพังคยานระดับแก่กล้าแล้วย่อมรู้เห็นความดับไปอย่างชัดเจนเช่นขณะคู่แขน ย่อมรู้เห็นความดับไปเป็นขั้นๆอย่างละเอียดของสภาวะคู่จึงทราบว่าสภาวะคู่หมดจิ้นไปอยู่เสมอนอกจากนั้นยังรู้เห็นวิปัสนาจิตที่ดับไปต่อมาจากสภาวะเคลื่อนไหวได้อีกด้วยเขาไม่พบรูปร่างสันฐานของมือที่เคลื่อนไหวเหมือนคนทั่วไปที่เข้าใจว่ารูปร่างมีอยู่เสมอ และไม่พบจิต ท, ที่คงอยู่เสมอเหมือนคนทั่วไปที่เข้าใจกันสัญญาวิปลาสเป็นต้นที่สําคัญผิดว่าเป็นอย่างเดียวกันจึงไม่ปรากฏแก่เขาดังนั้นผู้ที่จเจริญอนุปัสสนานี้จึงสามารถละความสําคัญว่าเป็นกลุ่มได้ดังข้อความกล่าวว่าความบริบูรณ์ของขยานุปัสสนานั้น มีได้ตั้งแต่ปัญญารู้เห็นความดับเป็นต้นไปดังนั้นจึงละความสำคัญว่าเป็นกลุ่มได้ 2. การละความสำคัญว่าเป็นกลุ่มนั้นย่อมไม่มีเพราะขยานุปัสนายัางไม่บริบูรณ์ก่อนจะบรรลุพังขยานนั้น 3. แม้ในอนุปัสสนาอื่นก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นความบริบูรณ์และความไม่บริบูรณ์ของวิปาาัสนาญาณพึงทราบในมหาปรณะปริญญาและติรณะปริญญาวิปาาัสนาญาณในระดับติรณะปริญญาคือสมัสนญาณและอุทพยญาณยามีกำลังไม่บริบูรณ์อนิจจานุปัสนาเป็นต้นที่เกิดในระดับดังกล่าว จึงละความสำคัญว่าเทียงเป็นต้นไม่ได้โดยสิ้นเชิงแต่ในระดับปหาณปริญญาคือพังขยานเป็นต้นจะละได้โดยสิ้นเชิงเพราะผู้ปฏิบัติธรรมที่บรรลุพังขยานแล้วก็จะสามารถละความสำคัญว่าเป็นกลมได้ วิญานุปัสนาวิญาณุปัสนาคือปัญญารู้เห็นความเสื่อมไปกล่าวคือผู้รู้เห็นความดับไปในทุกขณะของรูปนามที่กําหนดรู้ในปัจจุบันขณะย่อมเข้าใจโดยอนุมานรู้ว่ารูปนามในอดีตและอนาคตก็มีสภาพดับไปเหมือนรูปนามในปัจจุบันลําดับนั้นเขาย่อมรู้ชัดว่ารูปนามทั้งหมดดับไปทุกขณะ ไม่คงอยู่เสมอโดยมีการดับไปอนุปัสนานี้ย่อมละความขวนขวายเพื่อความอยู่ดีมีสุขอายูหนะกล่าวคือผู้ที่ไม่รู้เห็นว่ารูปนามดับไปอยู่เสมอก็จะสําคัญผิดว่าตนและคนอื่นมีอยู่แน่นอนจึงขวนขวายเพื่อให้สังขารที่สําคัญว่าเป็นตนและผู้อื่นอยู่ดีมีสุข ทั้งในพบนี้และพบหน้าส่วนผู้เจริญวิปัสนาที่รู้เห็นว่าสังขารเสื่อมปลายอยู่เสมอด้วยว่ายานุปัสนาย่อมไม่ขวนขวายเพื่อให้สังขารที่เคยสำคัญผิดว่าเที่ยงอยู่ดีมีสุขเหมือนผู้ที่ขวนขวายทำงานเพื่อเลี้ยงดูบุตรธิดาที่กําลังจเจริญเติบโตให้มีความสุขแต่เขาจะไม่อยากขวนขวายทาการงานหาทรัพย์ เมื่อซาปวาบุตรธิดาได้เสียชีวิตไปแล้วมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคำพีวิสุทธิมักว่าวยานุปัสนาคือความน้อมไปในนิโรธที่เรียกว่าความดับไปนั่นแหละโดยรู้เห็นความดับไปของสังขารทั้งหลายโดยประจักษ์และโดยญาณที่คล้อยตามซึ่งกล่าวไว้ในคำพีปฏิสัมพิามักดังนี้ว่า ยานที่ถึงพร้อมได้องสองเหล่านี้คือการกำหนดโดยสภาพอย่างเดียวกันคือความดับในอารมณ์ทั้งสองคืออารมณ์ที่เห็นประจักษ์อันได้แก่ปัจจุบันและอารมณ์ที่ไม่เห็นประจักษ์อันได้แก่อดีตและอนาคตด้วยการอนุมานรู้คล้อยตามอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันและน้อมไปในความดับ เป็นมรรคยานที่เห็นประจักลักษณะดับไปการละความขวนขวายย่อมมีได้ด้วยวายญญานุปัสสนานั้นเพราะเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมเห็นประจักษ์อยู่ว่าบุคคลพึงขนขวายเพื่อประโยชน์แก่สังขารเหล่าใดสังขารเหล่านั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ สิวิปริณามานุปัสนาวิปริณามาวิปัสนาคือปัญญารู้เห็นความแปรไปดังคำพีวิสุทธิมักกล่าวว่าหนึ่งวิปริณามานุปัสนาปัญญารู้เห็นความแปรไปคือการรู้เห็นความเป็นไปอย่างอื่นล่วงพ้นขอบเขตนั้นๆโดยจำแนกเป็นรูปสันตกะเป็นต้น 2. หรือการรู้เห็นการแปรปรวนของรูปนามที่เกิดขึ้นแล้วโดยลักษณะทั้งสองคือความแก่และความตายข้อความนี้แสดงลักษณะของวิปริณามานุปัสสนาโดยจำแนกเป็นสองในดังนี้ 1. การพิจารณารูปนามโดยรูปสัตตกะรูป7หมวดตามที่กล่าวไว้ในสัมมาสนญาาแบ่งออกเป็น การพิจารณาอย่างหยาบเช่นรูปที่เป็นไปในปฐมวัยไม่ทันถึงมัชชิมะวัยก็ดับไปในปฐมวัยนี่เองดังนั้นรูปในปฐมวัยจึงต่างจากรูปในมัชชิมะวัยและรูปในมัชชิมวัยจึงไม่เหมือนกับรูปในปัจชิมะวัยการพิจารณาอย่างละเอียดเช่นรูปที่เป็นไปในขณะเดินไปข้างหน้า ยังไม่ทันถอยกลับก็ดับไปในขณะเดินไปข้างหน้านั่นเองดังนั้นรูปในขณะเดินไปข้างหน้าจึงต่างจากรูปในขณะถอยกลับ 2. การพิจารณารูปนามโดยความแปรปรวนด้วยความเสื่อมแล้วดับไปความเสื่อมคือความแก่หรือถิติขณะความดับคือความตายหรือพังค ข, ขณะแบ่งออกเป็น การพิจารณาอย่างหยาบเช่นรูปนามแปลปรวนด้วยความแก่แปลปรวนด้วยความตายดังนั้นรูปนามทุกอย่างจึงแปลปรวนไม่คงอยู่เสมอด้วยลักษณะทั้งสองการพิจารณาอย่างละเอียดเช่นรูปนามแปลปรวนจากขณะเกิดขึ้นไปสู่ขณะตั้งอยู่และแปลปรวนจากขณะตั้งอยู่ไปสู่ขณะดับไปดังนั้น รูปนามทุกอย่างจึงแปลปรวนไม่คงอยู่เสมอปัจจขณะญาณหรือโดยอนุมานรู้อันวยาญาณชื่อว่าวิปริณนามานุปัสนาย่อมละความสำคัญว่าเทียงแท้ไม่แปลปรวนที่เรียกว่าทุวสัญญาได้อันหนึ่งในคำพีอัิกถาของปฏิสัมพิามักราวว่า ปัญญารู้เห็นความแปลไปของรูปนามโดยอนุมารู้อันวยะยาณจัดเป็นวายานุปจนนาส่วนปัญญาที่รู้เห็นด้วยอำนาจวายานุปัสนาวสภาวธรรมทั้งหมดมีสภาพแปลไปจัดเป็นวิปริณามานุปัสนาปรากฏขึ้นเมื่อบรุพังคยานระดับแก่กล้าแล้ว ความเห็นข้างต้นกล่าวไว้โดยอาศัยลำดับที่วิญญาณุปัสนาอยู่หน้าและอธิปัญญาธรรมวิปัสนาอยู่หลังอนุปัสนานี้ดังข้อความในคำภีนั้นว่า 1. วิญญาณุปัสนาคือปัญญารู้เห็นความดับของขันในอดีตและอนาคตโดยคล้อยตามญาณที่รู้ประจักษ์ขันในปัจจุบันนั้น ในลำดับต่อจากการรู้เห็นความดับของขันในปัจจุบันสองวิปริณามานุปัสนาคือปัญญารู้เห็นความผันแปรไปของขันทั้งปวงว่าขันที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งปวงมีสภาพผันแปรไปเพราะน้อมไปในนิโรธที่เรียกว่าความดับนั้น 1 1อนิมิตาามตานุปัสนาอนนมิตตานุปัสนาก็คืออนิจจานุปัสนานั่นเองหมายถึงปัญญารู้เห็นว่าไม่มีนิมิตรูปต่างๆดังคำพีอัตกรถาและดีกาอธิบายว่าคำกล่าวว่านิมิตตังนิมิตเป็นสิ่งที่ปรากฏเหมือนมีจริงหมายถึงนิมิตคือสังขารคำกล่าวว่า สังขาร น, นิมิตตังนิมิตคือสังขารหมายถึงความปรากฏของสังขารด้วยความเป็นกลุ่มโดยกองรูปนามเป็นต้นแก่ผู้มิได้เจริญภาวนาและความปรากฏของสังขารโดยขอบเขตคือหน้าที่ของตนแก่ผู้มิได้เจริญภาวนาคนทั่วไปไมิได้เจริญวิปัสสนาภาวนาย่อมสำคัญว่ารูปสันฐาน ที่คงอยู่เสมอในอากัศกิริยาของร่างกายเช่นการเดินยืนนั่งนอนเหยียดคู่หรือสิ่งที่ใจรับรู้เช่นการเห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสนึกคิดเรื่องราวต่างๆรวมทั้งสิ่งที่มาปรากฏทางทวารทั้งหกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมรม ทั้งหมดนั้นเป็นคณะบัญญัติที่เรียกว่าสังขานิมิตนิจจานิมิตนิมิตว่าเที่ยงทุวานิมิตนิมิตว่ายั่งยืนและสัจสตานิมิตนิมิตว่ามั่นคงถาวรในกรณีตรงกันข้ามผู้ที่เจริญวิปัสนาจนกระทั่งปรากฏอนิมิตตาอนุปัสนาในระดับพังคยาน ย่อมรู้เห็นว่าอากับกิริยาทางร่างกายสิ่งที่ใจรับรู้และสิ่งที่มาปรากฏทางทวารหกเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดับไปทันทีไม่ปรากฏรูปร่างสันฐานอีกทั้งกิเลสกรรมและวิบากรัมที่เป็นกรรมก็ไม่เกิดขึ้นด้วยความยึดมั่นรูปร่างสันฐานเพราะอนิมิตตาอนุปัสนาละสังขานิมิตได้ ดังคำพีวิสุทธิมากกล่าวว่าอันหนึ่งมักนี้ละนิมิตว่าเที่ยงยั่งยืนและมั่นคงถาวรโดยทำการกระจายกลุ่มของสังขารด้วยอนิจจานุปัสนาดังนั้นจึงชื่อว่าอนิมิตตวิโมกผู้เจริญวิปัสนาจนกระทั่งบรรลุอนิมิตตานุปัสนาแล้ว ย่อมรู้เห็นมีเพียงสภาวธรรมในปัจจุบันที่ดำเนินไปตามหน้าที่สภาพขณะและอารมณ์ที่แตกต่างกันอันเกิดดับอย่างรวดเร็วไม่มีรูปร่างสันฐานดังนั้นแก่นสารในรูปนามจึงไม่มีเหมือนคนผ่าฟืนที่ไม่มีแกนยิ่งผาไปก็จะพบแต่กระพี้เรื่อยไปที่จริงผู้เห็นว่ารูปนามไม่เทียง ย่อมจะรู้เห็นว่ารูปนามสิ้นไปและรู้เห็นสังขารว่าเป็นเพียงสภาวะธรรมที่ไม่ใช่รูปสันฐานดังข้อความในคัมภีรปฏิสัมพิธามักว่าสังขารทั้งหลายย่อมปรากฏว่าสิ้นไปแก่ผู้รู้เห็นว่าไม่เที่ยงผู้รู้เห็นอยู่ว่าไม่เที่ยงย่อมรู้เห็นนิมิตคือสังขารตามความเป็นจริง อัปนิหิตานุปัสนาตัณหาที่เพลิดเพลินยินดีในรูปเพราะสำคัญผิดว่ารูปนามที่ปรากฏในขณะยืนเดินนั่งนอนเห็นได้ยินเป็นสิ่งที่น่ารักใกล้พอใจเรียกว่าปนิธิหรือปนิหิตะแต่ผู้ที่รู้เห็นว่ารูปนามเกิดดับอยู่ย่อมเข้าใจว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ดีงาม การรู้เห็นเช่นนี้ชื่อว่าอปปณยหิตานุปัสนาคือปัญญารู้เห็นว่าไม่น่าปรารถนาย่อมละความปรารถนาสุขและได้ชื่อว่าทุกขานุปัสนาคือปัญญารู้เห็นว่าเป็นทุกข์อีกด้วยสิบสามสุญญ า, านุปัสนา คนทั่วไปย่อมสำคัญผิดว่ามีตัวตนที่ทำอกับกริยามีการยืนเดินนั่งนอนแต่ผู้เจริญวิปัสสนาจนกระทั่งบรรลุพังคยานและปรากฏอนัตตานุปัสสนาแล้วย่อมเข้าใจว่ามีเพียงสภาวธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีบุคคลเราของเราจึงไม่อยู่ในอำนาจของผู้ใด การรู้เห็นอย่างนี้ชื่อว่าสุญญตานุปัสนาปัญญารู้เห็นว่าว่างเปล่าหรืออนัตตานุปัสนาคือปัญญารู้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนย่อมละความยึดมั่นว่าเป็นตัวตนอภิณีเวสส์สอธิปัญญาธรรมวิปัสนา อธิปัญญาธรรมวิปัสนาคือปัญญาอันยิ่งที่รู้เห็นสภาวะธรรมว่าสังขารดับไปเพราะรู้เห็นความดับไปของสังขารที่เป็นอารมณ์และวิปัสนาจิตที่รู้อารมณ์กล่าวคือผู้ที่บรรลุพังคยานระดับแก่กล้าและย่อมรู้เห็นว่ารูปนามแต่และอย่างดับไปอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังรู้เห็นว่าวิปัสนาจิต ที่รู้อารมณ์ดังกล่าวได้ดับไปผู้ที่สามารถรู้เห็นความดับไปของรูปนามและวิปัสนาจิตสลับกันไปนี้ย่อมเข้าใจว่าสิ่งที่ดับไปอยู่เป็นเพียงสังขารไม่ใช่ตัวตนเราของเราการรู้เห็นอย่างนี้ชื่อว่าอธิปัญญาธรรมวิปัสนาละความยึดมั่นว่าอัตตาเป็นแก่นสารเพราะ เห็นประจักษ์ว่าไม่มีอัตตาเป็นแก่นสารอย่างแท้จริงดังคำพีวิสุทธิมักกล่าวว่าอธิปัญญาธรรมวิปัสนาปัญญาอันยิ่งที่รู้เห็นสภาวะธรรมว่าสังขารดับไปเพราะรู้เห็นความดับไปของสังขารที่เป็นอารมณ์และวิปัสนาจิตที่รู้อารมณ์คือวิปัสนาที่รู้อารมณ์มีรูปเป็นต้นแล้ว รู้เห็นความดับไปของอารมณ์นั้นและความดับของจิตที่มีรูปเป็นต้นนั้นเป็นอารมณ์แล้วดำเนินไปรับเอาความว่างเปล่าเป็นต้นด้วยอำนาจจะพังขยานว่าสังขาร น, นั่นแหละแตกดับไปความตายมีอยู่แก่สังขารไม่มีใครอื่นซึ่งกล่าวไวในคำภีปฏิสัมพิธามักดังนี้ว่า ความปรากฏโดยความว่างเปล่าย่อมรู้เห็นอารมณ์ว่าดับไปและความดับไปของวิปัสนาจิตชื่อว่าวิปัสนาที่มีปัญญาอันยิ่ง 15. ยะถาภูตยานทัศนะยะถาภูตยานทัศนะคือปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงในรูปนาม พร้อมด้วยเหตุปัจจัยดังคำพีวิสุทธิมักกล่าวว่ายะถาภูตยานทัศนะคือการกำหนดรู้รูปนามพร้อมด้วยเหตุปัจจัยทำให้ละความยึดมั่นผิดที่ดำเนินไปโดยในเป็นต้นว่าเราเคยเกิดมาก่อนอย่างต่อเนื่องในภพที่แล้วมาก่อนจะถึงภพนี้หรือไม่และโดยในเป็นต้นว่าสัตว์โลกเกิดจากพระผู้เป็นเจ้า ผู้ที่เจริญวิปัสนาจนปรากฏยาณ น, นี้ย่อมรู้เห็นว่ามีเพียงรูปนามที่เกิดขึ้นโดยความเป็นเหตุและผลจึงเข้าใจว่ารูปนามในปัจจุบันเกิดจากเหตุคืออวิชชาปัญหาอุปทานและกรรมในพบก่อนแม้รูปนามในอดีตและอนาคตก็จะเกิดเหตุจากเหล่านั้นในการทั้งสามจึงมีเพียงรูปนาม ที่เป็นเหตุและผลของการและกันอนุปัสนานี้ย่อมละความยึดมั่นคือความหลงด้วยทิฏฐิที่ยึดมั่นผิดว่ามีผู้เนรมิตลาวสัตว์และวิจิกิจชาที่สงสัยว่าเราเคยเกิดมาก่อนหรือไม่สิบก อาธีนุวานุปัสนาอาธีนุวานุปัสนาคือปัญญารู้เห็นโทษยอมละความยึดมั่นด้วยความผูกพันดังคำพีวิสุทธิมกกล่าวว่าอาธีนวานุปัสนาคือญาณรู้เห็นโทษในภพทั้งหมดเป็นต้นที่เกิดโดยปรากฏว่าน่ากลัวทำให้ละความยึดมั่นด้วยความผูกพันวา่า สิ่งใดๆที่พึ่งพิงได้หามีไม่คนทั่วไปแม้จะลำบากยากเข็ญอย่างไรก็ไม่อาจสละภพชาติได้จึงต้องการแสวงหาความสุขด้วยวิธีการต่างๆเช่นคนป่วยหนะักต้องการหายจากโรคคนยากจนต้องการจะมีทรัพย์แม้ไม่ได้สิ่งที่ต้องการในชาตินี้ก็ยังต้องการให้ได้ในชาติต่อไป หรือหากคิดว่าชีวิตมนุษย์มีทุกข์ก็ต้องการจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมหรือต้องการจะไปเกิดเป็นเศรษฐีกษัตริย์เทวดาหรือพรหมตลอดไปไม่ต้องการจะดับทุกข์คือรูปนามด้วยอำนาจความผูกพันคือตัณหาผู้ที่บรรลุพังขยานระดับแก่กล้าแล้วย่อมเข้าใจว่าสังขารทั้งหมดเป็นที่พึ่งไม่ได้ โดยสังขานคืออารมณ์ที่กําหนดรู้วิปัจนาจิตที่รู้เห็นอารมณ์นั้นอารมณ์ที่ใกล้ครวนและจิตที่ใกล้ครวนอารมณ์นั้นไม่ใช่ที่พึ่องอย่างแท้จริงเขาไม่รู้เห็นที่พึ่องอย่างใดอย่างหนึ่งในรูปของนามที่เนื่องด้วยภพสามคือกรรมภพรูปภพและอรูปภพดังนั้น อนุปัสนานี้จึงลากความผูกพันในภพบ 17. ปฏิสังขานุปัสนาปฏิสังขานุปัสนาคือปัญญากำหนดรู้อีกเพื่อปล่อยวางสังขารจัดเป็นปฏิสังขายานที่ปรากฏแก่ผู้ที่บรรลุมุนจิตุกรรมยาตายาแล้ว เพื่อปล่อยวางสังขารอันหนึ่งข้อความว่าปล่อยวางและพ้นไปมีความหมายอย่างเดียวกันในคำพีอธิกถาบางแห่งจึงกล่าวถึงข้อความทั้งสองไว้ในเรื่องมูลจิตตุกรรมยะตายานดังคำพีวิสุทธิมักและมหาดีกาอธิบายว่าปฏิสังขานุปัสนาคือ ปัญญากำหนดรู้อีกอันกระทำเหตุแห่งการสละสังขารทำให้ละโมหะที่ไม่กำหนดรู้อีกปัญญากำหนดรู้อีกอันกระทำเหตุแห่งการสละสังขารว่าปฏิสังขานุปัสนาทำให้ละอวิชาอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการกำหนดรู้อีกเพราะการไม่กำหนดรู้อีกในความไม่เที่ยงเป็นต้น คนทั่วไปไม่รู้เห็นไตรลักษณ์ย่อมเกิดความเพลิดเพลินยินดีในสังขารเมื่อประสบกับความทุกข์ของทุกขเวทนาความแปลปรวนของสุขเวทนาและความสลายไปของสังขารทุกอย่างที่มันตกใจกลัวเขายังปล่อยวางสังขารไม่ได้เพราะยังยึดติดผูกพันอยู่ผู้ที่รู้เห็นว่าสังขารตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์แล้วย่อมไม่สาคัญว่า สังขารหน้าเพลิดเพลินยินดีไม่สําคัญว่าเป็นเราของเราไม่หวังให้สังขารที่ตนต้องการนั้นเป็นสุขไม่หวังให้สังขารเสื่อมสิ้นไปไม่กังวลว่าสังขารจะเป็นทุกข์เหมือนความวางเฉยไม่มุ่งหวังหรือกังวลในหินทรายที่ไม่เกี่ยวกับตนที่จริงแล้วผู้ที่พ้นไปจากสังขารโดยสิ้นเชิงต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้น แต่ผู้เจริญวิปัสนาที่บรรลุสังขารูเปกขาญาณอันประกอบด้วยฉลังคู่เปกขาอุเบกขามีองค์6คือความวางเฉยไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์6ที่มาปรากฏทางทวารทั้ง6ก็จัดว่าพ้นไปจากสังขารได้เป็นอย่างดีดังนั้นการปล่อยวางสังขารด้วยมุลจิตตุกรมยตาญาณจึงยังไม่สมบูรณ์ ต้องพยายามกำหนดรู้อีกต่อไปด้วยปฏิสังขายานจึงจะพ้นไปจากสังขารด้วยสังขารุเปกขายานดังกล่าวอนุปัสนานี้ย่อมละความไม่กำหนดรู้อีกอันได้แก่อวิชชาที่ไม่รู้เห็นไตรลักษณ์สิบแปด วิวัตานุปัสนาวิวัตานุปัสนาคือปัญญารู้เห็นที่ถอยกลับออกจากสังขารทั้งหมดหมายถึงสังขารรูเปเอกขายานและอนุโลมยานดังคำพีวิสุทธิมาร์กและมหาดีกาอธิบายว่าวิวัตานุปัสนาคือสังขารรูเปเอกขายานและอนุโลมยานดังได้กล่าวไว้ว่าในการนั้น จิตของผู้ปฏิบัติธรรมนั้นย่อมถอยกลับหวนกลับวกกลับจากสังขารทั้งปวงเหมือนหยดน้ำบนใบบัวที่ขอบใบงอเล็กน้อยดังนั้นจึงทำให้ละความยึดมั่นที่ประกอบในสังขาร 1. สังขารุปเปกขายานและอนุรมยานเรียกว่าวิวัตานุปัสนาเพราะดำเนินไปโดยที่จิต คือโคตรรัูจิตมัคคจิตและพลจิตปล่อยวางสังขารแล้วแล่นไปสู่พระนิพพานที่ประศจากวัตตะสองกิเลสอันมีสังโยชน์เป็นต้นที่ดำเนินไปโดยความตั้งมั่นอย่างลงในสังขารชื่อว่าความยึดมั่นด้วยกิเลสผู้ที่บรรลุสังขารุปเปกขายานและอนุโลมญาณแล้ว ย่อมรู้เห็นความดับไปของสังขารคืออารมณ์ที่กาหนดรู้วิปัสนาจิตที่รู้เห็นอารมณ์นั้นอารมณ์ที่ใกล้ครวนและจิตที่ใกล้ครวญอารมณ์นั้นจึงวางเฉยในสังขารปราศจากความยินดียินร้ายคือไม่ยินดีในสังขารเหมือนในวิปัสนาญาณขั้นต้นและปราศจากความกลัวรังเกียจเบื่อนาย และต้องการปล่อยวางเหมือนในระดับพยายานเป็นต้นแต่จะรู้เห็นความดับไปของสังขารอย่างชัดเจนในขณะนั้นวิปัสสนาจิตจะเหมือนถอยกลับออกจากสังขารเหมือนหยดน้ำบนใบบัวที่กลิ้งตกลงมาจากใบบัวเมื่อสังขารุูเปกขา ย, ายานแก่กล้าแล้วก็เกิดอนุโลมยานพร้อมด้วยโคตรพูยานมัคคาน และผลยญาณย่อมปรากฏขึ้นปล่อยวางสังขารทั้งหมดแล่นเข้าสู่ความดับรูปนามคือนิพพานอนุวิปัสสนาที่ถอยกลับจากสังขารทั้งหมดแล่นเข้าสู่พระนิพพานนี้ชื่อว่าวิวัตานุปัสสนาย่อมละความยึดมั่นที่ประกอบในสังขารอันได้แก่ความยินดีพอใจในกามกามราคะสังโยชน และความขัดเคืองไม่พอใจปฏิฆะสังโยชน์เป็นต้นด้วยเหตุนี้ผู้ที่บรรลุสังขารุเปกขายานแม้จะคิดถึงเรื่องที่ตนชอบหรือไม่ชอบก็มักวางเฉยและไม่คิดถึงเรื่องนั้นเป็นเวลานา น, านในคำพีอัตกถาของปฏิสัมพิธามักแสดงความเห็นว่าโคตรภูยานที่เกิดจากอนุโลมยาน ชื่อว่าวิวัตานุปัสนาแล้วกล่าวว่าข้อความในคำภีวิสุทธิมักขัดแย้งกับข้อความในคำภีปฏิสัมพิามัรกกล่าวคือในจริยากถาของคำภีปฏิสัมพิามัรกกล่าวว่าอวัชนะจิตย่อมมีได้ในอนุปัสนาอื่นจากวิวัตานุปัสนาด้วยคำว่าอวัชนะจิตที่ใกล้ค ร, รวญ เพื่ออนิจจานุปัสสนาเป็นวิญญาณจาริยาการเกิดขึ้นแห่งจิตส่วนอนิจจานุปัสสนาเป็นยานจาริยาอาวัชนะจิตที่ใกล้กรวนเพื่อปฏิสังขานุปัสสนาเป็นวิญญาณจาริยาส่วนปฏิสังขานุปัสสนาเป็นยานจาริยาอย่างไรก็ตามในข้อวิวัตานุปัสสนา ไม่ได้กล่าวถึงอวัชนะจิตด้วยคำว่าวิวัตานุปัสนาเป็นยานจจาริยาถ้าสังขารุปเกคหายานและอนุรมยานเป็นวิวัตานุปัสนาก็ควรจะกล่าวว่าวิวัตานุปัสนามีอวัชนะจิตอยู่หน้าเพราะยานทั้งสองต้องมีอวัชนะจิตอยู่หน้าแน่นอนส่วนโคตรภูยาน อยู่ในอนุรมวิถีจึงไม่มีอวัชนะจิตนำหน้าดังนั้นวิวัตพาณวิปัสนาจึงควรเป็นโคตรภูยานอย่างเดียวคำสรุปข้าพเจ้าได้อธิบายมหาวิปัสนา18ซึ่งเป็นธรรมที่ผู้ปรารภความเพียรควรเจริญและรู้เห็นโดยประจักษ์เพื่อเพิ่มพูนเข้าใจแก่ผู้ปรารภความเพียร โดยอธิบายข้อความที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายหนึ่งถึงหพระเทระรูปใดพำนักอยู่ในวัดนามว่าวัดใต้จองวัดตึกใกล้เชิงเขาตองวายภูเขากลมในจังหวัดมองลำยายเป็นเวลานานพระเทระผู้มีนามว่าโสพนะนั้นมีพรรษายี่สิบ ผู้สแสวงหามันคาอันถูกต้องได้ไปอยู่ที่วัดมหาสีวัดกลองใหญ่ใกล้กับมหาสตูปอินจินตอป่าสาละทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้านฉิขวนท้าภาษีอันเป็นที่พำนักของสัตบุรุษอยู่ในทิศตะวันตกของเมืองเชเวโบที่พระเจ้า อ, องชยะทรงสถาปนาชัยชนะ อันคณะอุบาสกผู้มีจิตรื่นรมในพระสัตว์ธรมวิงวอนแล้วจึงปรารภเพื่อประพันธ์คำพีชื่อว่าวิปัสนานในเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้สแสวงหาประโยชน์และเพื่อความเจริญภัยบุญแห่งพระาศาสนาหกคำพีนั้นจบแล้วในวันเพนเดือนสามพุทธศักราช2487ภายหลังจากพระบรมศาสดา เสด็จดับขันทาปรินิพพานแล้วนับเป็นจุลศักราช1305 7. อันหนึ่งคำพีนี้บรรลุความสำเร็จบริบูรณ์โดยปราศจากอันตรายฉันใดขอความดำริชอบของมวลชนจงสำเร็จสมประสงค์ฉันนั้นพระโสพภณะมหาเถระ การละสักยะทิฏฐิของพระโสดาบันกิเลสสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้คนทั่วไปยึดมั่นในตัวตนชื่อว่าสักยะทิฏฐิซึ่งอาจเป็นความสำคัญผิดว่ามีวิญญาณหรือกายทิพแฝงอยู่ในร่างกายหรือแม้จะเข้าใจถูกต้องว่าคนสัตว์ทั้งหลายประกอบได้รูปกับนามโดยไม่มีวิญญาณแต่ก็ยังยึดมั่นว่าตัวตนนั้นเป็นเรา ของเราบุรุษหรือสตรีความยึดมั่นดังกล่าวมีอยู่เสมอแก่ปุตุชนด้วยอำนาจสักยะทิฏฐิทำให้สร้างบุญบาปเพื่อให้ตนอยู่ดีมีสุขตลอดไปผู้ที่ละสิ้นสักยะทิฏฐิได้คือพระโสดาบันซึ่งจะสามารถละได้ด้วยโสดาปฏิมาคหลังจากบรรลุธรรมแล้ว เพียงขณะที่หลับตาลงจะรู้สึกเหมือนเลื่อนเข้าสู่อีกนิมิตหนึ่งได้เองคล้ายกับเข้าถึงยานสิบเอ็ดเป็นยานระดับสูงสุดของปุตุชนผู้ที่บรรลุยานนี้จะรู้สึกเหมือนแล่นเข้าสู่อีกมิติหนึ่งที่สงบสุขและสภาวะธรรมปัจจุบันที่กำหนดรู้อยู่เช่นสภาวะสัมผัสหรือพองยุบจะละเอียดขึ้นเป็นลาดับ เหมือนสำลีหรือปุยฝ้ายอีกทั้งไม่มีความฟุ้งซ่าน ร, รบกวนจิตโดยสิ้นเชิงในขณะนั้นจะรับรู้ความดับไปของรูปกายทั้งหมดเป็นความโล่งว่างอย่างยิ่งไม่ว่าจะพิจารณาร่างกายส่วนใดก็จะพบเพียงความว่างจะรับรู้เฉพาะบางส่วนที่มีสภาวะสัมผัสเช่นเมื่อถูกเสือและ เป็นความสัมผัสลอยๆที่ไม่ทราบว่าอะไรสัมผัสกันเมื่อลืมตาขึ้นก็จะรับรู้ถึงการเลื่อนออกไปสู่อีกมิติหนึ่งที่มีการมองเห็นหรือการเห็นส่วนต่างๆของร่างกายปรากฏขึ้นจึงรับรู้ได้ว่าร่างกายยังมีอยู่นอกจากนั้นสภาวะเกิดดับทางกายและใจย่อมปรากฏแก่ท่านตลอดเวลาเช่นขณะเดินจงกรม อาจรู้สึกว่าสภาวะลอยไปของขาหรือตัวที่เคลื่อนไปนั้นเป็นสภาวะลอยที่หยุดเป็นช่วงๆคล้ายกับคลื่นทะเลที่เคลื่อนเป็นละลอกเบาๆ เ, เหมือนน้ำเมื่อสังเกตจะเห็นเป็นสภาวะเบาที่ปรากฏแล้วหายไปจนสภาวะเคลื่อนไหวสิ้นสุดลงบางครั้งอาจรู้สึกถึงสภาวะเกิดดับของสภาวะเบาหนัก ที่ขาดช่วงละเอียดยิบบางครั้งก็รู้สึกถึงสภาวะสั่นสะเทือนภายในขาแต่รู้ไม่แน่นอนว่าเป็นส่วนไหนรู้สึกว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ขาของเราแต่เป็นท่อนยาวๆหักไปมาเคลื่อนไหวอยู่ขณะนั่งกรรมฐานอาจรู้สึกถึงความสั่นสะเทือนละเอียดยิบในร่างกายเช่นศีรษะ ร่างกายส่วนบนร่างกายส่วนล่างบางครั้งอาจรู้สึกว่าสภาวะสัมผัสทางร่างกายสะเทือนละเอียดยิบบางครั้งจะเป็นจังหวะเต้นให้เห็นช้าๆและไม่รู้สึกว่ามีรูปร่างสันฐานของร่างกายทั้งหมดหรือบางส่วนโดยความโล่งว่างเป็นสิ่งปรากฏชัดเจนในบางขณะที่สมาธิมีกาลังมากขึ้น ก็จะรับรู้ความดับของจิตว่าเป็นเหมือนดวงกลมๆที่เริ่มต้นขยับเข้าออกมีแสงนวลอยู่รอบเกิดดับให้เห็นบางครั้งแตกตัวออกเป็นภาพแสงยิบๆเหมือนสะเก็ดดาวที่กระจายออกเต้นไปมามีแสงแล้วหายไปซ้ำๆอยู่ทียิบจนบางครั้งตามดูไม่ทันบางครั้งก็เป็นดวงใหญ่ๆ เกิดดับให้เห็นมากกว่าเป็นดวงเล็กๆสลับกับความมืดบางครั้งเหมือนเห็นพยับแดดที่มีลักษณะสั่นไหวหรือเห็นจิตโลกเกิดขึ้นแล้วหายไปสลับกันจนความโลภดับโดยเหตุที่จิตเป็นสภาวะรู้อารมณ์การรู้เห็นความเกิดดับของจิตจึงเหมือนได้รู้เห็นแสงสว่างปรากฏขึ้นแล้วดับไป บางครั้งอาจรู้เห็นความเกิดดับของจิตตื่นอีกด้วยโดยรู้สึกว่าเป็นเหมือนดวงไฟที่สว่างขึ้นมาแล้วดับวูบไปขณะกาหนดเวทนาอาจรู้สึกถึงสภาวะคันที่เต้นไปมาแล้วหายไปมีลักษณะกระจายออกเหมือนดาวกระจายเข้ามาแทนที่สลับกันไปบางครั้งจะเห็นสภาวะคันนั้นขยายใหญ่ขึ้น มีรูปร่างเหมือนตัวนอนขยับไปมามีแสงเรืองเรืองเต้นไปมาให้เห็นแต่ไม่รับรู้สภาวะคันได้ชัดเจนในขณะเห็นนั้นเมื่อภาพนั้นเต้นจนหายไปสภาวะคันจึงดับลงบางครั้งจะเห็นการขยายออกและหดหายไปของสภาวะคันในบางขณะที่เดินจมกลมหรือทำเอริยาบทย่อย จะมีจิตคิดอยากจะค้นหาสภาวะเดินว่ามีอะไรในสภาวะนั้นเมื่อเดินกำหนดไปเรื่อยๆก็พบว่าสิ่งที่พยายามค้นหานั้นไม่มีมีเพียงสภาวะเคลื่อนไหวเกิดดับสืบต่อกันไปอีกทั้งยังสามารถกำหนดรู้จิตสั่งได้ว่ามีเพียงจิตที่ต้องการจะทำอากับกิริยาต่างๆเช่นเหยียด คู่เกิดดับสืบต่อกันไปหยาบบ้างละเอียดบ้างไม่มีใครไม่มีอะไรนอกจากจิตสั่งและร่างกายที่ทำตามจิตสั่งเมื่อเริ่มบรรลุธรรมจิตของท่านมักดิ่งลงสู่ความดับรูปนามการเข้าสู่ความดับรูปนามดังกล่าวก็คือการเข้าผลสมบัตินั่นเองหลังจากนั้น จะรู้สึกถึงความสงบเย็นคือไม่เร่าร้อนด้วยกิเลส ท, ที่ปลอดโปร่งโล่งใจเพราะได้รับที่พึ่งซึ่งสแสวงหามาหลายกับกันหลังจากออกจากความดับแล้วจึงรู้สึกถึงความสุขที่ไม่เคยได้รับมาก่อนในชีวิตที่เรียกว่านิพพานช่วงแรกๆมักเข้าผลสมาบัติได้ไม่นานนักเพราะกําลังสมาธิยังไม่มาก ต่อมาเมื่อสมาธิมีกำลังมากขึ้นก็จะอยู่ได้นานนับชั่วโมงในบางขณะแม้กำลังกินเดิมอยู่ก็รู้สึกเหมือนอยากดิ่งลงสู่ความดับและสามารถดิ่งลงไปได้บางวันตื่นนอนมากลางดึกก็รู้สึกเหมือนอย่างนั้นและสามารถดิ่งลงไปได้เช่นเดียวกันเมื่อออกจากกรรมฐานแล้วกลับไปอยู่กับครอบครัวทางาน มักเข้าผลสมาบัติได้ยากเพราะมีเสียงอึกทึกต่อเมื่อเสียงอึกทึกหมดไปแม้เพียงไม่นานท่านก็จะสามารถเข้าผลสมาบัติได้เหมือนเดิมแต่จะดำรงอยู่ได้นานเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับสมาธิในขณะนั้นๆในบางขณะที่มีอนิจฐามณมมากระทบจิตท่านจะสามารถกำหนดรู้ความขุ่นมัวของจิตได้ทันที โดยโทสะไม่อาจครอบงาจิตของท่านได้จึงไม่ทำอกกับกิริยาทางกายหรือวาจาด้วยอำนาจโทสะข้อความทั้งหมดนี้เขียนตามประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมโดยบันทึกจากคำรายงานของผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านในขณะสอนกรรมฐานของผู้เรียบเรียงหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและทาให้มั่นใจแนวทางเจริญสติปัฏฐานสี่ นี้ว่าอำหนวยผลให้บรรลุทำได้อย่างแท้จริง